ถ้มาบทแปลเรื่องที่169เรื่องอนิธิคันทกุมารข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบอนิธิคันทกุมารตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ากามโตจายเตเป็นต้นตอน อ น, นิธิคันท ก, กุมานให้ช่างหล่อรูปสตรีได้ยินว่าอ น, นิธิคันท ก, กุมานนั้นเป็นสัตว์ที่จุติจับพรหมโลกเกิดในตระกูลมีโภค้ามากในกรุงสวัสถีตั้งแต่วันเกิดมาแล้วไม่ปรารถนาจะเข้าไปใกล้หญิงถูกผู้หญิงจับก็ร้องไห้ มารดาต้องอุ้มกุมาหนั้นด้วยเสื้อผ้าแล้วจึงให้ดื่มนมกูมาหนั้นเจริญวัยแล้วเมื่อมารดาบิดากล่าวว่าพ่อเราจะทำอาวาหะ ม, มงคลแก่เจ้าก็ห้ามว่าฉันไม่มีความต้องการด้วยหญิงเมื่อถูกอ้อนวอนบ่อยเข้าจึงให้เรียกช่างทองมาห้าร้อยคนแล้ว ให้ให้ทองคำมีสีสุกพันนิค่ะให้ทํารูปหญิงบุอย่างหนาหน้าเลื่อมสายยิ่งนักเมื่อมานดาบิดากล่าวอีกว่าพ่อเมื่อเจ้าไม่ทําอาวาหามมงคลตระกูลวงจักตั้งอยู่ไม่ได้เราจักนากุมาริกามาให้เจ้าก็กล่าวว่าถ้ากระนั้น ถ้าท่านทั้งสองจะนำกุมาริกาเช่นนี้มาให้ฉันฉันจะทำตามคาของท่านทั้งสองดังนี้แล้วจึงแสดงรูปทองคำนั้นตอนทรงพรามไปหาคู่ครองบุตรลำดับนั้นมารดาบิดาของเขาให้พาพวกพรามมีชื่อเสียงมาแล้วบอกว่าบุตรของเรามีบุญมาก คงจักมีกุมาริกาผู้ทำบุญร่วมกับบทนี้เป็นแน่พวกท่านจงไปจงพาเอารูปทองคำนี้ไปแล้วนำนางกุมาริกาผู้มีรูปเช่นนี้มาดังนี้แล้วทรงพรามเหล่านั้นไปพรามเหล่านั้นรับว่าดีละเที่ยวจาริกไปไปถึงส า, นาคนนครในแคว้นชื่อ มัทตอนพรามพบหญิงมีรูปดุดรูปหล่อแล้วกลับมาก็ในนครนั้นได้มีกุมาริกาคนหนึ่งมีรูปสวยมีอายุรุ่นราว16ปีมารดาบิดาให้นางอยู่ที่พื้นชั้นบนแห่งปราสาทเจ็ดชั้นพรามแม้เหล่านั้นแลคิดกันว่า ถ้าในนครนี้จากมีกุมาริกาเห็นป่านนี้ชนทั้งหลายเห็นรูปทองคํานี้แล้วก็จะกล่าวว่ารูปจําลองนี้สวยเหมือนทิดาของตระกูลนนทนดังนี้แล้วจึงตั้งรูปทองคํานั้นไว้ริมทางไปสู่ท่าน้ํานั่งคอยเฝ้านะที่ควรข้างหนึ่งลําดับนั้น หญิงแม่นมของกุมาริกานั้นให้กุมาริกานั้นอาบน้ำแล้วใครจะอาบน้ำเองบ้างจึงมาสู่ท่าน้ำเห็นรูปนั้นสำคัญว่าธิดาของเราจึงกล่าวว่าโอแม่หัวดือ้อเราให้เจ้าอาบน้ำแล้วออกมาเมื่อกี้นี้เองเจ้าล่วงหน้ามาที่นี่ก่อนเราดังนี้แล้ว จึงตีด้วยมือรู้ความที่รูปนั้นแข็งและไม่มีวิการจึงกล่าวว่าเราได้ทำความเข้าใจว่านางนี้เป็นทิดาของเรานั่นอะไรกันเล่าลำดับนั้นพรามเหล่านั้นถามหญิงแม่นมนั้นว่าแม่ทิดาของท่านเห็นปานี้หรือ หญิงแม่นมนี้จะมีค่าอะไรในสำนักธิดาของเราพราหมณ์ถ้ากระนั้นท่านจงแสดงธิดาของท่านแก่พวกเราหญิงแม่นมนั้นไปสู่เรือนพร้อมด้วยพราหม์ทั้งหลายนั้นแล้วก็บอกแก่นายเจ้าบ้านนายทำความชื่นชมกับพวกพราหมณ์แล้ว ให้ธิดาลงมายืนอยู่ในที่ใกล้รูปทองคำนราสาชั้นล่างรูปทองคำได้เป็นรูปหมดรัศมีแล้วพวกรามให้รูปทองคำนั้นแก่นายเหล่านั้นแล้วมอบหมายกุมาริกาไว้แล้วไปบอกแกมารดาบิดาของอนัตติคันทกุมารตอน คู่ครองของอนัตติคันทักุมารตายในระหว่างทางมารดาบิดานั้นมีใจยินดีแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงไปนากุมาริกานั้นมาโดยเร็วดังนี้แล้วทรงไปด้วยส ก, การะเป็นอันมากฝ่ายกุมารได้ยินข่าวนั้นก็ยังความรักให้เกิดขึ้นโดยสามารถการสดับว่า ได้ยินว่ามีเด็กหญิงรูปร่างสวยยิ่งกว่ารูปทองคำอีกจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงนำมาโดยเร็วเถิดกุมาริกาแม้นั้นแลอันเขายกขึ้นสู่ยานนำมาอยู่มีโรคลมอันความกระทบกระทั่งแห่งยานให้เกิดขึ้นแล้วได้ทำกาละในระหว่างทางนั่นเอง เพราะความที่นางเป็นผู้ละเอียดอ่อนยิ่งนักตอนความรักก็ให้ระทมทุกข์แม้กูมานก็ถามอยู่เสมอว่ามาแล้วหรือจนทั้งหลายไม่บอกแก่กูมานนั้นซึ่งถามอยู่ด้วยความสิเนหาอันยิ่งโดยพลันทีเดียว ทำการอำพรางเสีย 2-3 วันแล้วจึงบอกเรื่องนั้นกูมานนั้นเกิดโทมนัสขึ้นว่าเราไม่ได้สมาคมกับหญิงชื่อเห็นปานนั้นเสร็จแล้วได้เป็นผู้ถูกทุกข์คือโศกประหนึ่งภูเขาท่วมทับแล้วตอนพระสัสดาทรงแสดงอุบายระงับความโศกพระสัสดา ทรงเห็นอุปนิสัยของกูมารนั้นเมื่อเสด็จไปบินทบาทจึงได้เสด็จไปยังประตูเรือนนั้นลำดับนั้นมารดาบิดาของกูมารนั้นอัญเชิญพระศัสดาเสด็จไปภายในเรือนแล้วอังค่าดโดยเคารพในเวลาเสร็จพัฒกิจพระศัสดาตรัสถามว่าอ น, นิจติคันทกูมารไปไหน มานดาบิดาพระเจ้าข่าอา น, นิทิคันทกุมา น, นั่นอดอาหารนอนอยู่ในห้องพระศัสดาจงเรียกเธอมาอา น, นิทิคันทกุมา น, นั้นมาถวายบังคมพระศัสดาแล้วนั่งณส่วนข้างหนึ่งเมื่อพระศัสดาตรัสถามว่ากุมารความโศกมีกําลัง เกิดขึ้นแล้วแก่เธอหรือจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าข้าความโศกมีกำลังเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์พระได้ยินว่าหญิงชื่อเห็นป่านนี้ทำกาละในระหว่างทางเสร็จแล้วแม้พัดข้าพระองค์ก็ไม่หิวลำดับนั้นพระสัสดา ตรัสก็บเขา ว, ว่ากูมารก็เธอรู้ไหมว่าความโศกเกิดขึ้นแก่เธอเพราะอาศัยอะไรอ น, นิจติคันทกุูมารไม่ทราบพระเจ้าข่าพระศัสดาตรัสว่ากูมารความโศกมีกำลังเกิดขึ้นแก่เธอเพราะอาศัยกามความโศกก็ดี ภัยก็ดีย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่ากามโตจายเตโซโกกามโตจายเตพยังกามโตวิปมุตตสัะนัตถิโ ซ, โซโกกุโตพยังความโศกย่อมเกิดแต่กามภัยย่อมเกิดแต่กาม ความโศกย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วจากกรรมภัยจะมีแต่ที่ไหนตอนแก้อัดเป็นดาบทเหล่านั้นบทว่ากามโตความว่าจากวัตถุกรรมและกิเลสกรรมอธิบายว่าความโศกก็ดีภัยก็ดี ยอมอาศัยกรมแม้ทั้งสองอย่างนั่นเกิดในการจบเทศนาอนิทิคันทกุมานตั้งอยู่แล้วในโสดาปฏิผลดังนี้แลเรื่องอนิทิคันทกุมานจบ